ต้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2556แม้สภาพอากาศในช่วงเวลานั้นจะร้อนอบอ้าวปานใดแต่หัวใจของนายชยสิทธิ์เฟรมแจ๋วหนุ่มวัย34ปีก็ยังคงชุ่มฉ่ำหอมหวนไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรักทั้งนี้เพราะขณะนั้นเขากำลังจะมีแผนแต่งงานกับนางสาวส้มหรือนางสาวนุจรีจามัคอายุ23ปีสาวสวยพนักงานบริษัทคาวเซรามิกจำกัด ที่ตั้งอยู่ในตำบลเขาขลงุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในช่วงปลายปีพุทธศักราช2556หลังจากทั้งคู่ต่างคบหาและดูใจกันเป็นที่แน่นอนแล้วแต่แล้วความฝันของชายหนุ่มก็ต้องสูญสลายเมื่อจูจ่ๆส้มได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่8เมษายน2556ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนายชยศิธิ์ ได้โทรศัพท์ไปหาส้มที่โรงงานเพื่อจะนำข้าวไปส่งให้เพราะคิดว่าหญิงสาวคนที่ตัวเองรักจะทำงานล่วงเวลาแต่ก็ได้ทราบข่าวมาจากเพื่อนพนักงานว่าวันนี้เธอไม่ได้ทำงานล่วงเวลาและกลับบ้านในเวลา16นาฬิกาหลังจากนั้นประมาณ20นาฬิกาของวันเดียวกันนายชยศิษฐ์ก็ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์กับส้มได้อีกเลย เขาจึงเดินทางไปหาส้มที่บ้านแต่ได้รับข่าวจากนางสารพีช่อชลูดอายุ44ปีแม่ของหญิงสาวคนรักว่าส้มยังไม่กลับมาจากที่ทำงานนายชยสิธิ์จึงตัดสินใจออกไปตามหาที่โรงงานแต่เมื่อไปถึงกลับได้ทราบว่าส้มตอกบัตรเลิกงานออกไปแล้วนับจากนั้นเป็นต้นมาส้มหรือนางสาวนุชรีจามรักก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยจนหนุ่มคนรัก และญาติของฝ่ายหญิงพากันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและจากวันนั้นจนวันเวลาล่วงเลยไปเกือบสองสัปดาห์ก็ไม่มีวีวแววหรือข่าวคราวใดๆคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเมื่อเวลา16นาฬิการ30นาทีของวันที่24เมษายนพุทธศักราช2556ร้อยตํารตำรวจโทรวิศนุรักดี ร้อยเวรสอพอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งมีเหตุหญิงสาวถูกฆ่าในโรงแรมร้างริมถนนสายบ้านห้วยยางหนองไก่ขันในพื้นที่หมู่17ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจึงได้รีบเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเมื่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็พบว่าที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมม่านรูดร้างที่บริเวณห้องแรกพบศพหญิงสาวสวมเสื้อยืดสีเขียวนุ่งกางเกงยีนสีน้าเงิน สภาพนอนง่ายห้อยขาอยู่บนเตียงปูนที่บริเวณลำคอมีผ้ารัดไว้แน่นศพเริ่มเน่าเฟะจนจำใบหน้าไม่ได้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2 ส, สัปดาห์นอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้เวฟสีน้ำเงินขาวทะเบียนขอไข่จอจานชอชิง่ง416ราชบุรีจอดอยู่เมื่อทำการตรวจสอบในตัวผู้ตายยังพบทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคาและบัตรประจาตัวพนักงานบริษัทคาวเซรามิกจำกัด ที่ตั้งอยู่ในตำบลเขาขลุงอเภอบ้านโป่งโดยทราบชื่อต่อมาคือนางสาวนุช จ, จรีจามักอายุ23ปีถึงตอนนี้ลริศนาการหายตัวไปอย่างลึกลับของนางสาวนุจจรีจามักหรือส้มจึงถูกไขสู่ความจริงอันกระจ่างชัดญาติๆรวมถึงนายชยสิธิ์เปรมแจ่มแฟนหนุ่มของผู้ตายถึงกับช็อกหลังจากทราบข่าวเพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าส้มจะมาจากไปอย่างไม่มีวันกลับ เพราะเหตุฆาตกรรมอันโหดร้ายชวนสยดสยองเช่นนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนทราบว่าคนรายที่ลงมาก่อเหตุฆ่ายิงสาวแล้วหมกศพไว้ในโรงแรมร้างรายนี้ก็คือนายบันพศหรือน้ำเกิดเทวาอายุ30ปีทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกับผู้ตายจึงได้ไปติดตามจับกลุมตัวมาสอบสวนหลังใช้เวลาสอบสวนอยู่นานนายบรรพศให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ที่ลงมือฆ่านางสาวนุจรีโดยสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากเรื่องหึงหวงเนื่องจากตนเองแอบชอบผู้ตายอยู่แต่พอรู้ว่าผู้ตายมีแฟนและกำลังจะแต่งงานตนเองจึงรู้สึกโกรธแค้นและได้วางแผนหลอกให้ผู้ตายออกมาพบโดยบอกว่าจะให้สร้อยคอทองคาเมื่อผู้ตายหลงกลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุตนได้ชวนเข้าไปนั่งที่เตียงแต่ผู้ตายขัดขืนจึงต่อยเข้าที่ท้อง แล้วใช้ผ้าขนหนูรัดคอจนเสียชีวิตดังกล่าวหลังจากการรับสารภาพอย่างสินส้นไสของนายบรรพ์ในวันรุ่งขึ้นคือเมื่อวันที่25เมษายน2556เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยไม่ให้ญาติของผู้ตายทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกประชาทันจากนั้นก็รีบนาตัวผู้ต้องหากลับเข้ามาควบคุมไว้ที่โรงพักก่อนจะพาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรี ระหว่างนั้นนายบรรพศได้รับสารภาพอีกว่าหลังจากการฆ่านางสาวนุจรีแล้วได้นำเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายติดตัวไปด้วยก่อนจะโยนทิ้งลงน้ำที่บริเวณคูน้ำริมทางหมู่ที่5ตําบลเขาขลุงตํารวจจึงนําตัวไปชี้ตรงจุดดังกล่าวแล้วให้ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่มู ล, ลนิธิรวมใจการกุศลลงไปช่วยกันงมค้นหากระทั่งพบโทรศัพท์ในที่สุด นอกจากนี้ผู้ต้องหายังบอกว่าการที่ตนตัดสินใจรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือสังหารนางสาวส้มผู้ตายก็เพราะหลังก่อเหตุตนเองมักจะถูกดวงวิญญาณตามมาหลอกหลอนทุกคืนจนไม่เป็นอันหลับอันนอนแต่ละคืนจะได้กลิ่นเหม็นเน่ารบกวนจนติดจมูกบางครั้งก็ได้ยินเสียงผู้ตายมาร้องเรียกด้วยน้ำเสียงโกรธแค้นบางครั้งมาเข้าฝันให้เห็นในสภาพที่น่าสะพรึงกลัว ตนจึงเกิดความหวาดระแวงจนถึงขั้นไม่กล้าอยู่ตามลําพังหลังพระอาทิตย์ตกดินเลยทีเดียวแม้ข่าวดังคดีฆ่าหมกศพรายนี้จะจบลงด้วยการเอาตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองได้ในที่สุดแต่เบื้องหลังก่อนเหตุการณ์จะมาสู่การจับกุมตัวคนร้ายนั้นได้เกิดเสียงร่ําลือถึงเบาะแสรเรื่องราวก่อนจะมาพบศพผู้ตายในโรงแรมร้างแห่งนี้จนเป็นที่กล่าวขานอื้ออึงชวนขนลุกของผู้คนบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก โดยก่อนจะมีการพบศพของนางสาวส้มนั้นนายนารงม่วงไข่ผู้ใหญ่บ้านหมู่17ตำบลเขาขลุงที่พักอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่พบศพเปิดเผยว่าก่อนพบศพดังกล่าวนั้นตนกำลังทำงานอยู่ที่บ้านได้มีหญิงชายวัยรุ่น2คนในหมู่บ้านวิ่งหน้าตาตื่นมาเล่าให้ฟังว่าขณะกำลังขับรถจกักรยานยนต์ออกไปทำธุระพอมองเข้าไปภายในโรงแรมร้างก็ต้องตกตะลึง เมื่อเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องที่พบศพโดยหญิงสาวได้กวักมือเรียกให้เข้าไปหาในตอนแรกเด็กวัยรุ่นทั้งสองไม่คิดว่าเป็นวิญญาณหลังจากเสร็จธุระได้ขับรถกลับไปทางเดิมก็ปรากฏว่ามาเจอกับหญิงคนเดิมยื่นกวักมือเรียกอีกครั้งจึงตัดสินใจจอดรถและเดินเข้าไปดูก็ไม่พบหญิงสาวแล้วแต่กลับได้กลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนมาจากห้องด้านในด้วยความสงสยัยทั้งคู่จึงเดินตามกลิ่นไป ส, นนอสองวัยรุ่นหญิงชายก็ต้องตกตะลึงเป็นครั้งที่สองเมื่อเห็นศพหญิงสาวคนเดียวกันนอนขึ้นอืดอยู่บริเวณเตียงปูนและแม้จะตกใจกับภาพที่เห็นเพียงใดก็ตามแต่ก็พยายามรวบรวมสติและรีบนำเรื่องมาแจ้งให้ทราบก่อนที่ตนจะไปแจ้งตำรวจอีกทอดหนึ่งจนกลายเป็นข่าวและนาไปสู่การจับกุมได้ในที่สุดทั้งนี้เชื่อว่าวิ ญ, ญญาณของผู้ตายคงจะนอนตายตามไม่หลับ จึงมาปรากฏตัวให้เห็นเพื่อจะได้มีคนมาพบศพและเรียกร้องความเป็นธรรมดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการตายโหงคือการตายแบบไม่ปกติหรือตายแบบปัจจุบันทันด่วนเช่นการตายด้วยอุบัติเหตุถูกฆ่าตายโดยคนที่ตายในลักษณะดังกล่าวจะเรียกว่าตายโหงซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่าวิญญาณของผีตายโหงจะไม่ไปไหนหากแต่ยังวนเวียนอยู่ในจุดเกิดเหตุการถูกพรากชีวิตไปโดยการฆ่าหมกศพของหญิงสาวที่ชื่อส้ม หรือนางสาวนุจรีจามักก็เช่นกันได้เกิดเสียงร่ำลือถึงความเฮี้ยนของดวงวิญญาณจนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างหวาดผวาเนื่องจากในห่วงระยะเวลาหลังพบศพในโรงแรมร้างใหม่ๆมักมีคนพบเห็นเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเสมอจากการพูดคุยกับนางทวินสีพนมวันภรรยาของนายเชยสีพนมวันสมาชิกอบตอเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเปิดร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเล็ด อยู่ไม่ห่างจากโรงแรมร้างจุดเกิดเหตุพิสวัสดฆาตกรรมครั้งนี้ได้เปิดเผยให้ฟังว่าเรื่องนี้ถือเป็นข่าวดังในพื้นที่ก็ว่าได้เพราะเป็นเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่พวกเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในละแวกบ้านเราและในช่วงหลังเกิดเหตุใหม่ๆชาวบ้านหลายรายก็มักวิพากวิจารกันไปต่างๆนานาวันที่พบศพแฟนพี่เขาไปดูที่เกิดเหตุด้วยกลับมาบอกว่าสภาพศพทั้งน่ากลัวทั้งน่าสงสาร พระถูกทิ้งให้นอนตายอยู่ในที่ร้างอย่างนั้นมานานวิญญาณของเธอเองก็คงไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะเอาตัวคนทํามาชดใช้กรรมที่ก่อไว้ได้ส่วนเรื่องความเฮี้ยนนั้นก็มีชาวบ้านเขาร่ําลือกันว่าวิญญาณคนตายมาปรากฏให้เห็นหลายครั้งหลายหนมาให้เห็นในลักษณะต่างๆซึ่งแน่นอนว่ากลายเป็นกระแสร่ําลือจนหลายคนไม่กล้าเดินผ่านบริเวณที่เกิดเหตุกันเลยทีเดียวเจ้าของร้านค้าซึ่งอยู่ใกล้กับโรงแรมร้างสถานที่พบศพเหยือ่อพิสวัตธาตกรรมกล่าว นางถวินเล่าให้ฟังต่อไปว่าโดยส่วนตัวแล้วตนเองไม่เคยพบเห็นหรือสัมผัสกับเรื่องราวและปรากฏการลี้ลับทางวิญญาณที่เกี่ยวกับหญิงสาวที่ถูกข่าหมกศพแต่อย่างใดาหากแต่เคยได้ยินชาวบ้านในพื้นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูว่าวิญญาณของหญิงสาวเหยือ่อฆาตกรรมนั้นแรงมากเพราะเป็นวิญญาณตายหงที่ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเนื่องจากถูกหมกศพไวช่วงหลังจากเจอศพ มีหลายคนมาเล่าให้ฟังว่าพบเห็นวิญญาณตายในลักษณะแตกต่างกันไปบางคนเล่า ว, ว่าขับรถจะกลับบ้านในตอนกลางคืนเห็นผู้หญิงนั่งร้องไห้ยอยู่ริมถนนตรงปากทางเข้าโรงแรมร้างพอเข้าไปใกล้ๆกร่างนั้นก็อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาบางคนมาเล่าให้ฟังว่าเห็นคนตายเดินมาถึงตรงหน้าร้านพี่นี่แหละเขาจาได้แม่นว่าเป็นส้มเพราะรู้จักกันเป็นอย่างดีบางคนก็บอกว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าโรงแรมร้างในตอนดึกๆ มองไปที่โรงแรมก็เห็นร่างตะคุ่มคล้ายกับผู้หญิงยืนอยู่บนหลังคาโรงแรมแล้วตอนดึกๆขนาดนั้นใครที่ไหนจะปีนขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคาอย่างนั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เพิ่งเจอศพคนตายใหม่ๆแล้วด้วยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเขามักเล่า ว, ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องหหยหวนบางครั้งได้ยินเสียงเรียกร้องให้ช่วยดังมาจากโรงแรมในตอนกลางคืน ตอนยังไม่พบเจอศพก็พากันสงสัยอยู่ว่าเป็นเสียงอะไรแต่พอถึงวันที่ไปเจอศพก็ถึงบางอ้อเสียงร้องโหยหวนปริศนานั้นก็ถูกเฉลยคำตอบออกมาในทันทีว่าคงเป็นเสียงร้องคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานของคนตายที่ถูกหมกศพไว้โดยไม่มีใครรู้เขาคงพยายามร้องขอความช่วยเหลือเพื่อจะได้นำศพออกมาทำพิธีทางศาสนานั่นเอง นางทวินสีพนมวันเล่าถึงความเฮี้ยนของเหยื่อฆาตกรรมฆ่าหมกศพในโรงแรมร้างที่มีชาวบ้านในพื้นที่เคยประสบพบเจอมาหลังศพของผู้ตายถูกพบใหม่ๆเหตุการณ์ลี้ลับเกี่ยวกับวิญญาณของเหยื่อฆาตกรรมในลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งดังที่เคยปรากฏเป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดจนสื่อขแขนงต่างๆทําให้เชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านี้จะไม่สามารถสงบลงได้หากฆาตกรยังคงลอยนวล นอกจากปรากฏการทางวิญญาณของนางสาวสม้มหรือนางสาวนุจจรีจามัคกแล้วเหตุการณ์ทำนองนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นครั้งหนึ่งเคยมีข่าวชวนขนหัวลุกเกี่ยวกับวิญญาณเฮียนเข้าฝันแม่ถึงสองคืนติดบอกว่าตัวเองถูกฆ่าตายเป็นศพถูกฝังดินอยู่หลังบ้านสามีครั้งแรกแม่พาญาติมาขุดแต่ไม่เจอพอมาเข้าฝันซ้าเลยไปขุดซ้าให้ลึกกว่าเดิม คราวนี้เจอโครงกระดูกเต็มๆส่วนฆาตากรก็คือนายเสนีทองดีสามีของผู้ตายซึ่งอยู่ระหว่างติดคุกคดีลักทรัพย์ตำรวจตามไปสอบเข้นในคุกจนยอมเปิดปากสารภาพว่าใช้ปืนยิงหัวภรรยาตายเพราะหึงหวงเพราะเห็นแอบคุยกับชายอื่นอยู่ที่หลังบ้านเสร็จแล้วก็ฝังศพกลบไว้นานถึง4เดือนแต่ต้องมาถูกจับจนได้ เพราะความเฮี้ยนของภรรยาตัวเองย้อนไปดูที่มาของเรื่องเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน2553ที่ผ่านมาเมื่อนางราตีทองดีอายุ21ปีเกิดหายตัวไปจากบ้านสามีในอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนสร้างความกระวนกระวายใจให้กับนางสมจิตจิตประจักษ์อายุ55ปีผู้เป็นแม่จนถึงทันกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดกับการหายตัวไปของลูกสาว ก่อนหน้านี้นางราตรีแต่งงานอยู่กินกับนายเสนีผู้เป็นสามีอยู่กันมาพักใหญ่แต่ชีวิตคู่ของเธอก็ไม่ได้แฮปปี้นักเพราะทั้งคู่มักจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งเรื่องความหึงหวงถึงแม้จะมีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยเพราะนายเสนีเป็นคนขี้หึงจึงหาเรื่องทะเลาะอยู่ร่าไปด้วยความเป็นห่วงลูกสาวในช่วงแรกๆนางสมจิตจึงเที่ยวไปมาหาสู่กับลูกเป็นประจา จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุประมาณสองเดือนไปหาลูกอีกครั้งแต่ไม่เจอเจอแต่ลูกเขยพูดตะคอกใส่ว่าลูกสาวหนีตามผู้ชายไปแล้วทำให้นางสมจิตต้องวิ่งโร่ไปแจ้งความที่สพพรมพี่รามเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ว่งเวลาดำเนินต่อไปแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบลูกแต่อย่างใดมีแต่ข่าวร้ายที่นางสมจิตได้ยินมาว่าลูกเขยถูกตารวจจับในคดีลักทรัพย์ติดคุกอยู่ที่เรือนจากลางพิษณุโลก แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเห็นว่าตัดขาดกันไปแล้วระหว่างที่กำลังตามหาลูกอยู่ๆความหวังอันเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อคืนหนึ่งนางสมจิตเกิดฝันไปว่าลูกสาวมาบอกว่าถูกสามีฆ่าตายศพฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านป่ายชายผู้เป็นแม่ชักชวนญาติๆให้ไปช่วยกันขุดดินใต้ต้นมะม่วงภายในบ้านเลขที่4หมู่ที่12ตำบลพรมพิรามซึ่งเป็นบ้านลูกเขยทันที ครั้งแรกขุดไม่ลึกจึงไม่เจออะไรพอกลับมาบ้านลูกสาวก็มาเข้าฝันอีกบอกว่าขุดถูกที่แล้วแต่ขอให้ขุดลึกลงไปอีกเพราะผัวฝังไว้ลึกมากบ่ายวันที่22กันยายนนางสมจิตกับพักพวกจึงหวนกลับไปขุดดินใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมอีกครั้งคราวนี้เกณฑ์ชาวบ้านไป50คนช่วยกันขุดลึกลงไปเกือบ2เมตรกว้าง1เมตร จนกระทั่งพบกับโครงกระดูกลูกสาวที่ถูกฝังไว้จริงๆนางสมจิตละล่ำละลักแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพพรมพิรามให้รีบเดินทางมาร่วมตรวจสอบโดยด่วนตํารวจพร้อมแพทย์เวรประจำโรงพย า, าพยาบาลพรมพิรามก็เดินทางมาถึงตรงเข้าตรวจสอบโครงกระดูกที่พบในสภาพนอนหงายกระโหลกศีรษะด้านหน้าแตกเป็นรูโบเนื้อตัวเปื่อยยุ่ยจนเหลือแต่โครงกระดูก ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3เดือนจึงทำการบันทึกไว้พร้อมส่งมอบให้สถาบันนิติเวช ท, ที่สุดความจริงซึ่งไม่นานความจริงก็ปรากฏเมื่อผลพิสูจน์ระบุว่าโครงกระดูกที่พบเป็นศพของราตรีจริงๆตำรวจจึงขออนุมัติหมายจับกุมนายเสนีทั้งๆ ท, ที่เจ้าตัวยังติดคุกอีกคดีเพราะงานนี้มีพยานหลักฐานครบถ้วนตารวจกรมพิรามรุดไปสอบปากคานายเสนีถึงที่เมื่อรู้ว่าเรื่องแดงออกมา หมอนี่ถึงกับอ้าปากค้างยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าเมียด้วยน้ำมือตนเองทำไปเพราะความหึงหวงและด้วยกลัวความผิดจึงฝังศพอำพรางคดีผ่านมาหลายเดือนแล้วไม่คิดว่าจะจนมุมแบบนี้เมียผมหน้าตาดีจึงมีหนุ่มๆมาติดพันเยอะเลยทะเลาะกันบ่อยวันเกิดเหตุผมออกไปทำงานนอกบ้านพอกลับมาไม่เจอเมียจึงอาบน้าเข้านอน แต่ได้ยินเสียงเมี ย, มยคุยกับผู้ชายอยู่หลังบ้านจึงย่องไปดูได้พบภาพบาดตาซึ่งเมียกำลังคุยอยู่กับผู้ชายจริงๆด้วยความโมโหจึงวิ่งไปหยิบปืนจุด38แบบไทยประดิษฐ์ที่เก็บไว้หลังตู้ออกมาหาทั้งคู่เมียตกใจผลักผู้ชายคนนั้นให้วิ่งหนีไปผมเลยยิงใส่หนึ่งนัดกระสุนถูกหัวของภรรยาล้มฟุบลงกับพื้นด้วยความกลัวความผิดจึงนำจอบมาขุดหลุมบริเวณใต้ต้นมะม่วงฝังร่างของเธอไว้ นี่คือคำกล่าวอ้างของนายเสนีหลังก่อเหตุฆ่าคนตายสายวันที่11ตุลาคม2553กำลังเจ้าหน้าที่50นายควบคุมตัวนายเสนีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพฆ่านางราตีโดยนายเสนีแสดงท่าตอนลั่นกายและตอนขุดดินฝังศพเมียตนเองอย่างโหดร้ายท่ากลางสายตาชาวบ้านกว่า500คนที่มามุงดูเหตุการณ์ซึ่งต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปส่วนใหญ่ลงความเห็น ว่าเป็นเพราะแรงอาฆาตของวิญญาณเฮี้ยนของนางราตรีที่ไปเข้าฝันแม่จนทำให้รู้ว่าตนเองถูกฆ่าหมกศพอยู่ใต้ต้นไม้เล่นเอาหลายคนขนลุกขนพองไปตามๆกันงานนี้เกิดจากอาถรรพ์หรือไม่คงพิสูจน์ไม่ได้รู้แต่ว่าคนร้ายเข้าตารางแต่แล้วเรียบร้อย